ก็ได้นะคือเป็นทั้งร่างกายนี้เนะี่ยก็เรียกว่ารูปเย่ยงสิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆในโลกนี้ก็เรียกว่ารูปเหมือนกันหรือแม้แต่ไม่อยู่ในโลกนี้นะที่มันเป็นมันเป็นรูปเป็นร่างบนะเป็นอะไรที่มันจัดต้องสัมผัสได้อันนี้เรียกว่านะรูปนะเขาอะไรนี่ยรูปมันไม่เที่ยมในตรวอยางนี้นะ รูปไม่ใชแค่แต่วิธีดูดูวิธีสังเกตก็ดูร่างกายของเราก็ได้นะมันเป็นรูปที่เราเห็นชัดนะที่เราเห็นชัดที่สุดว่ากายมันเราจะไปที่ไหนนาะกายมันพาไปกายมันพาไปแต่จริงใจมันพ า, าไปมากกว่าวเราเลยพิจารณาดูรูป น, น, นะบางทีกรรมฐาน เบืนน้องต้นนะพะวิจาก็์เราให้พิจารณารูปแค่บางส่วนก็ได้ถ้าพิจารณารูปบางส่วนเข้าใจเนี่ยก็จะเข้าใ จ, าใจรูปทั้งหมดเลยบางทีปุจจาร ท, ท่นทนานให้พิจารณาเนี่ยให้พิจารณาเอาผมมาพิจารณาก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้ไฟดนันก็ได้หนังก็ได้นะหลวงปูด่ดูลนะเคยเคยแนะนํานูกศิษย บาหนึ่งให้เอาโคมบางอาจจะให้ตัดโคมด้วยกัปดูนะเย็นไงให้พิจารณาผโค ม, มบ่อยๆก็ได้นท่านก็ก็พิจารณาแก่ผคมของท่าน็นจิตมันก็เข้าใจธรรมะนี้ก็ ม, มกีคือแล้วแต่สตินี้ใสแต่ละท่านก็ แ, ถถแตกแถถต่างกันอย่างหลวงปู่บุตรดาะเป็นที่ดีไหมหลปู่บุตดาท่านก็อยู่สัมพัทธ์กางนะท่านก็ ไม่ได้ยูปวารจันนะเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะแต่ท่านก็ใส่เนะี่ยที่พระจ้าทสอนให้พิจนารณาผมขนได้ฟันหนัอาจารย์ท่านก็พิจารณาดูผมตัวเองขนตัวเองเละบตัวเองฟันตัวเองนังตัวเองแต่ดูไปจริงก็เห็นเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเอง มันงอกขึ้นก็งอกของมันเองมันขาก็ขาของมันเองมันร่วงก็ร่วงของมันเองนะมันเป็นของมันเองเช่นนั้นนะซือรูปนะหรือบางคนดูรูปอย่างอื่นแล้วต้องน้องมาหารูปของเราเองก็ได้บางคนเห็นเห็นต้นไม้นะกาลังผีใบร่วงโดยนะก็ไปเห็น เห็นการร่วมโดยขอชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นะทใบไม้ร่วงก็เหมือนกับชีวิตเราสักวันหนึ่งก็ต้องร่วมเหมือนกันคือดูรูปภัยนอกถ้าถ้าน้องกลมาดูรูปนะของเราเองเนี่ยก็ก็ได้ทางมาแต่รูปภายในรูปภัยนอกก็ถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความบรรพไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันก็จะ เข้าใจธรรมะได้อนกัญนะเราดูรูปอะไรต่างๆนะดูรูปของเราเอี ก, ก็ได้นะบันทีการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทีถ้าเราเข้าใจความจิตตางหลักของไตรละนะักเนี่ยมันจะง่ายนะอันนี้คือเรื่องของรูปเนาะเป็นเรื่องของติภยัยติดที่เป็นรูปประธรรมนะประดาเรียกว่าเป็นติที่เป็นรูปประธระ ร, ร, ร, ปปรมตัวอีกสีอย่างเนี่ยเป็นติที่เป็นนามประธรรม นามธรรมนี่คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกสัมผัสได้นะมันจะทาําจับต้องไม่ได้เวทนาเนะาะก็จะเป็นเวทนาเ ว, เวทนาที่นี้ไม่ใช่เวทนาของของด้างกายแต่เป็นเวทนาของจิตใจความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือความเฉยเฉยก็ดีอันนี้เรียกว่าเวทนานะจิตของเรานี่มันจะมีเวทนา ต้องมีเวทนาทุกอย่างไม่สุขก็ทุกข์หรือเฉยะถ้าเราเวลานะถ้าเราเห็นเวทนาบางทีก็เฉยบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์เปลี่ยนไปตามอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเวทนาเวทนาสัญญาคือความจำได้ยงไหรู้นจําจดจําสภาวะต่างๆะ จำได้เรื่องนี้เรียกว่าอะไรเป็นสิ่งสมมุตินะชื่อว่าอะไรนะมีความสำคัญกับเราอย่างไรนี่ก็เป็นความจำต่อใหม่นะที่มันต่อได้สังคาญนะการปูแต่งเมื่อเห็นเป็นสัญญาเขาไปปูปแต่งต่อว่าอันนี้ลูกของเรานะอันนี้รถของเราอันนี้บ้านของเราเ น, นี่ยสำคัญดรงทิ้งที่ยามไม่ปูปแบบนั้น ปรุในการคิดเหตุผล น, นี่ก็เป็นสังขาร อ, อันนี้คือสังขารวิญญาณวิญญาณที่ให้วิญญาณออกจากกล้าฟหรอก น, น, น, นะวิญญาณคือจักรสุวิญญาณกนะารรับรู้ทางตาถ้าคนตาบอด ก, ก็ไม่มีจักรุวิญญาณนะมีวิญญาณมีหกทางจักรสุวิญญาณนะโสตวิญญาณถ้าพูดง่ายนะ วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายแล้วก็วิญญาณทางใจอ่าเป็นวิญญาณที่ช่องทางในการรับรู้ติดต่างอ่าถ้าเราหูหัวกก็วิญญาณทางหูไม่มีก็มีวิญญาณแค่ห้าทางนะวิญญาณคือการรับรู้อ่เรารับเราก็แครรู้แต่เรารับ แล้วเราไม่ใช่รู้ไม่ใช่แค่รู้แต่เรารับรู้แล้วก็เราก็ไปปรุงต่อวันเนี้อ่ามันเป็นของเราจริงจรมันต้องเที่ยงนะรับรู้แล้วแบบนี้ใช่แน่นอนเช่นบางทีเราถึงเขียนนันทีเราดูเหตุการณ์เดียกันนะเขียนสิ่เดียกันแต่เราเห็นคนลมุมแต่ถ้าเรามีความสับส น, นหมายว่ามุมที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นความจริงแท้ คนอื่นเห็นเหมือนกันแต่เราไม่เชื่อนะสิ่งที่คนอื่นเห็นเพราะอะไรเพราะเรามีความสําคัญ้าหมายว่าสิ่งที่เราเห็นนะั้นมันเป็นความจริงถูกต้องแน่นอนสมบูรณ์แล้วแต่ที่จริงเราอาจจะเห็นไม่สมบูรณ์ก็ได้นะถ้าเราเป็นเชื่อเนีเชื่อตาทั้งหมดก็อาจเป็นไม่ได้นะเชื่อหูทั้งหมดก็ไม่ได้นะอืมมีจาไม่ได้ อ า, ารยดชสามท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามีการทดลองนะนะไม่ใช่แบบทดลองจะเป็นแบบวิทยาศาสตร์จะเป็นอาจารย์ที่การสอนวิชากฎหมายนะกำลังสอนวิชากฎหมายก็สอนน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกเรื่องพวกอสัอชญากรหรือนะไรต่างๆก็กาลังสอนเวฟีนะก็มีมีคนเข้ามาใน ก็มาในห้องที่แสดงบรรยายนัทเชอร์นะเข้ามาแล้มาขโมยของของอาจารย์ออกไปนักศึกษาต่างๆก็จะดื้อมีใครมาขโมยของอพอพอขโมยออกไปอาจารย์ก็ถามนักศึกษาว่าคนที่ขโมยเนี่ยรูปร่างรูปแบบไหนให้บอกมาสินักศึกษาแต่ละคนก็พูดไม่ตรงกันนหนัดภาพที่เห็นนีพร้อมๆกัน บางคนบอกตู้ด่างสูงบางคนบอกตู้ด่างาไม่ค่อยสูงนะบางคนใส่เสื่อสีอะไรก็บอกไม่ตรงกันนะ <c oughs> บอกไม่ตรงกันนะทั้งๆที่ก็เห็นรูปพร้อมๆกันแต่ความจำได้หมายรู้การรับรู้เนี่ยนะแตกต่างกันนะนั่ก็เป็นเรื่องที่ตลกนะคือทยนอาจารย์ก็เด็ดเตรี้ยนะเตียยเพื่อสอนพอสอนนักศึกษาก็เออเนี่ย เราบางทีเราเชื่อตาของเราอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ตรง น, นั้นเองอาจารย์เขาจะเน้นสอนเรื่องวิชากฎหมายว่าบางทีพยานเขาบอกเล่าจากการที่เห็นเนี่ยบางทีก็เชื่อไม่ได้ทั้งหมดหรอกมันเขียนแล้วอาจจะจำไม่ได้ครบถ้วนจริ ง, รงๆนะก็ อ, อยา่าไปไปลื่งเชื่อแค่แค่การเก่ง น, นะแต่ต้องมีลหลักฐานยึดมาประ ก, กอบด้วยแต่ถ้าเราตีความในทางธรรมะเนี่ย เราก็จะนลื้นเชื่อในรูปที่เราเห็นทั้งหมดมันเป็นทีเป็นจังบางทีเราจะเห็นคลิป ก, ก็ได้อันนี้คือการรับรู้ต่างๆเราจะผิดพลาดได้เนื้อตากติก็มีคติสังเกตไหมเช่ น, นเวลาเรารักใครเมื่เราเกลียดใครบางทีเรารักใครสักคนมองอะไรก็ดูดีไป็นหมดเขาทําดีกับเราน่ารักเหลือเกินแต่เราไม่ชอบใคร แค่เขาแก็แอมแกอก็ขัดหูขัดตาแล้วเนะาะทำให้เขาต้องทำของธรรมชาตินะแต่บางคนลูกเราไม่ติดต่อแต่ยังว่าหอมก็ดีนะน่ารักนะอันนี้มันอยู่ที่อตัตติของเรานะบางทีเรื่องพวกนี้มันแต่ถ้าคนมองไปกลางก็มือกนะ็สักแต่ว่าสักแต่ว่าด้ยินนะมันก็เป็นเสียงเสียงหนึ่งนะ อันนี้คือสิ่งบางทีคนปุนจชนชลถ้าเราไม่ไม่ดลดหรือลอัตติเนะี่ยมันจะทําให้การ ร, ารับรู้มันบิดเบือนมันตกิดเพี้ยนนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเรารู้เรื่องของเราเองก็ดีหรือสิ่งที่เราไปรับรู้เรื่องของคนอื่นก็ดีสิ่งที่เราไปรับรู้เรื่องของสังคมเองก็ดีถ้าเรายังมีอัตติถือข้านเลือกที่ชอบรักที่ชัง เราเลือกที่รักมั่กที่ชนเะนี่ยมันก็ทําให้ใการรับดูเรามันผิดเพียนได้แล้วครก็จะกล้าทจนสอนให้เราเห็นเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะเราแบตามความเป็นจริงเป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่เห็นครัความเป็นจริงเราก็จะไปปูแต่งต่อนะแต่ที่สําคัญความทุกข์นะความทุกข์ในขันทัตหน้าเนะี่ยมันทุกข์เพราะว่าเรายืด ยึเย็ดว่าลูกเนี่ยมันเป็นของเราพอเกิดความทุกข์กับลูกคนนี้มันมันรู้สึกความเป็นของเราเราก็เลยทุกข์นะก็เลยทุกข์มากเหมือนหมอพยาบาลนะถ้าตัวเองไม่ป่วยไม่อะไรเห็นโลกไปให้เจ็บเห็นความตายของคนไข้ทั่วไปมันก็ไม่ทุกข์มากเพราะมันไม่ใช่รูกของเราไม่ใช่ญาติของเรานะแต่ถ้าเมื่อไหรเราทุกข์เมื่อไรญาติเรา เออค่ อ, คอยเริ่มรู้สึกความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วนั้นความทุกข์จริงๆเนี่ยเกิดเพราความยึดมั่นถิดมั่นว่าอันนี้ของเราอันนี้เป็นญาติของเรานะคือเมื่อไรที่มีคำว่าของของเราเนะี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยยึดเลยแม้แต่บางทีไอ้ที่ไม่น่าดี่็ยังยึดนะอันนี้ศัตรูของเรา <c oughs> อันนี้คนที่เราไม่ชอบนะมันก็ยังยึดนะ สิ่งนี้เราไม่ชอบนะมันต้งอยังไปยพอมีความสงคัญมนะันเป็นของของเรานะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราช้ำเมื่อนึกเมื่อไหร่ก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ใจท่านมีถอนอุบทานนะถอนอุบทา น, นทั้งห้านะี่ว่ามเป็นตัวทุกข์นะมันเกิดทุกข์ขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นม า, เ, นน า, นมาเราจำได้ไหมรู้ว่าคนนี้คือคนที่เรามีชอบ เขาเลยไปปรแต่งต่อมันมันสร้างภพสร้างชาคืออย่างเงี้นะภกชาติที่เน่ากลัวยคือจิตใจลอยชาตินะอืมเราตกเน่าโลกเรขึ้นสวรรค์ก็ตอนที่ยังไม่ตายนี่แหละนะการสร้างภพสร้างชาในใจเนี่ยท่านมีรักตรงเนี้ยปฏิจจตัวบาตรซอรักที่ตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเกิดแกเจ็บตายแล้วก็ไปเกิดใหม่นะ การสร้างภพสังชาติใจนะถ้าเรามีสติเราจะเห็นนะเห็นว่าเออร่างกายเห่านี้ยเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นยักษ์เมื่อเราโกรธนะเวลาเราเกลียดนะวลาเราโมโหดูหน้าตาของเราเองมันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์นะเราเป็นมนุษย์หรือเป็นยักษ์นะมันเป็นยักษ์ใช่ไหมเวลาไหนที่เราโลดดูหน้าตา ภายนอกปกติถ้าเราดูงใจจิ๋งโง่มันหิวมันอยากมันอยากเอามันอยากได้นะมันไม่พออันนี้จุดเปลี่ยนนะเวลาไหนที่เราล้มนเพื่อเพลินไปน่ะก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานต้องลอยไปเรื่อยเรืเนี่ยแต่เวลาไหนเราใจดีเราก็เป็นเหมือนเทวดาเป็นนางฟ้าเวลาไหนเรานะใจเย็นเราปล่อยว่า ตอนนเราก็เป็นพักแล้วนะเป็นพักก็เป็นที่ใจนี่แหละเป็นที่พักก็คือการรู้ความจริงแล้วก็ใจเย็นนะใจเป็นปกติใจเย็นอันนี้ยเราสามารถทําได้แลเพราะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อตัเขียนถ้าจะย้ำว่าที่จริงธรรมะดูเหมือนมีมีเยอะนะแปดหมื่นสี่พันเมื่องแต่ถ้ารวม หรือว่าถ้าจะเอาวิธีในการปจุบัติจริงน ๆ, ๆ, ๆนะแค่การสร้างความรู้สึกตัวอย่างเดียวพอพอนะนี่การสร้างความรู้สึกตัวจริงเนี่ยมันเป็นทั้งทานนะนทางเรืองนี้เราอย่าดีๆขอแค่การต้องใส่บาตรต้องถวยายของกระทางทางผู้นั้นนะทำได้ไม่ยากเท่าไห่หรอกแต่ที่เราทางไม่ก็ได้นะ ประดความตหนีที่เหนียวในจิตใจมันยังไม่ออกไปเนยยังไม่เปิดฐานจริงๆนะสระความอืมความไม่ชอบไม่พอใจให้ใคราทานคนอื่นไม่ได้เนี่ยสระสระพวกนี้ยังไม่ได้ปิดยังไม่เปิดฐานจริงนะหลายคนเนี่ยทานสิ่งของแต่หวังร่ำรวยมันไม่ใช่เป็นการลดความตะหนีนะเป็นการเพิ่มความโลภนะอืมถ้าทานเนี ไม่ค่อยได้ประโยชน์นะคนนับอาจจะได้ประโยชน์แต่คนให้เนี่ยยังวางใจวิพิตนะก็ประโยชน์น้อยนะนั้นการรู้สึกตัวมันจะทําให้เราเป็นทางจริงๆนะเราจะถวายสิ่งของหรือว่าเราจะอะสละความกันหนีทิฏเกี่ยวหรือไม่ต้องถวายอะไรที่ยังได้นะอืมรูม้สึกสละดดออกไปเลยสละความโลภมันโลภมันอยากเมไรสละดดออกไปนัออกไป เป็นทานนะล้วเขาว่าเราเขาไม่เข้าใจเราเขาตํางดีเราเราก็ถกไปทานให้เขาคนจะดินทานเรานะดีกว่าเราไปดินทาคนอื่นผู้ประการทางจะไปไหว้เลยน ะ, ะแต่เราคนส่วนใหญ่วนี่ยฉันไม่ได้จะฉันว่าเธอได้มันจะเป็นแบบนั้นจะมากกว่านะแต่จริงถ้าคนมีสติเนี่ยนจดินทานเราเนี่ยไม่เป็นไร คนจะทํา้ายเขาก็ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่ไม่ไปว่าคนอื่นใะนเชิงมิทาว่าร้ายนะแต่ถ้าแนะนําสั่งสอนนั้นว่าได้นะอนะหรือเราไม่ไปทำร้ายผู้อื่นนะให้เขาทุกต้อนใจอันนี้ยคนมีสตินะ่ะจะยันที่ตัวเราเองนะแต่เราห้ามคนอื่นไม่ได้เราก็รู้ทังความเป็นจรินี้เราก็ดู ดูสินะนี่มันเป็นทางที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทันไอรูนหรือทันความคิดนะความคิดอยากจะเถียบเบียนคนอื่นก็ปิดสินนะปิดสินข้อหนึ่งเบียบเบียนตัดเป็นเบียนสีมีชีวิตต่างๆรักขโมยของประกอบธกิจในการพูดปลดมวนเท็จหรืออยากจะเสกของบนเมานะอันนี้มันเกิดจากความคิดนะทุกอย่างเกิดจากความคิดถ้ามันไม่มีความคิดมันไม่ทํา นะมันไม่ทำหลวงพ่อเทียนทัานเคยเลาว่าคลอรู้จากรูปรู้จากนาเน่ยท่านเล่นท่านเล่นคล้ายเล้นกับความคิดน่ะไม่ใช่ไปคิดเล่นๆนะแต่ท่านเห็นว่าแต่ก่อนอ่ะท่านยังติดกาแฟัติดบุหรี่นะตอนไปปัจจุบัติเนี่ยยังเอาบุหรีไปสูบด้วยนะอืมแต่พอปฏิบัติไปแล้วมันมันเขียนเลยว่าเราติ ด, ดบุหรี่เพความคามิดน่ะท่านบอกไหน แเราไปติดบุตรีมาหลายเปีปีมันพอเห็นความคิดเนี่ยมันเลิกได้เลยนะอ่าเพอท่านรู้สึกเลยว่าเนี่ยก่อนที่เราจะสู่บุดีจนหมดมวนเนี่ยมันคิดเท่านั้นเลยคิดเปซื้อบุตรีมาก่อนเลยใช่ไหมเออแล้วก er ็ทัานก็เลยร้องเรยกับกับลูกไปอ้าวไหนไปหยิบบุดีมาสู่ซิลูกมันก็บอกว่าหยิบไม่ได้สิถ้าถ้าถ้าใจหิไม่ มีสะอาไ ม, ม่อนุญาตใชเออไหนอ่ า, นาอนุญาตให้กินอ่าอ่ากินไปแล้วสูดสิก็สูดไม่ได้ถ้าไม่อนุญาตให้มาเข้าปากอ่าเออเข้าปากแล้วสูดได้ไหมก็ไม่ได้ต้องไปอนุญาตให้กินไปแชกอ่าอ่ากินไปแชกก็ได้ไหมก็ต้องอนุญาตให้มันจุดไปแชกเข้ากับบุหรี่อ่าจุดไปแล้ว สูบได้น้ยข้ไม่ได้ถ้าไอนุญาตที่ดูดเข้าไปปลนออกมาใช่ไหมมันเป็นความคิดที่สร้างในแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่คนที่สูบเนี่ยมันทําแบบโน้มน้าวแป๊เดียวสูบเป็จหนึ่งม้วนก็สูบต่อม้วนที่สองนะแต่ที่จริงความคิดเราสร้างให้ตั้งแต่ซื้อให้ตั้งแต่กินตั้งแต่จุดโอ้ความคิดนี่มันเป็นเจ้านายเรานี่มานาน ไรู้อีกสิบปีแล้วหรือหลพวกหลายชาแล้วแต่พอเห็นความคิดเนี่ยมันก็ว่างได้เลยเหมือนคนกินเหล้าก็เหมือนกันมันสั่งทัหลซื้อเหล้าดินเหล้าชงเหล้านะมากินเหล้าแก้วแล้วแก้วเหล้านะขวดแล้วขวดเหล้าเนี่ยมันก็สั่งนั่นเลยความคิดมัาสั่งเนี่ยมันไม่ใช่การมีสติไม่ใช่เพียงแค่รู้การเคลื่อนไหวนะ ไม่ใช่ร e uh ู Fifth, ้แค่การคืนไหวแต่มันรู้ถึงใจด้วยนะรู้ถึงใจที่ชิดนึกนะที่มันโดนด้วยนะอันนี้ก็สำคัญมากเคยมีนักเรียนนักศึกษาชุดหนึ่งนะเป็นเด็กวิทยาลัยเกษตรที่ใจียู่คูนะบางปีครูเขาก็พามาอบรมที่วัดเป็นเด็กเหมือนวัยรุ่นกัเหน่อนนะเด็กปวชปวสก็นะก็มาอบรมที่วัด พอกลับไปนะเด็กพวกนี้อาจารย์พักหอพักที่วิทยาลัยกลับไปบางทีแล้วเด็กบันหนึ่งอาจารย์ไปเห็นเด็กไปนั่งที่ร้านอาหารข้างนอกนะวิทยาลัยก็กําลังกินเล่ากันเด็กผู้ชายนะกินเล่ากันแต่มันเพิ่งกลับมาจากวัดนะพออาจารย์เห็นอาจารย์ถามเธอกาลังทําอะไรผมก็เด็กก็บอกผมกำลังกินเล่าอย่างมีสติ จิบแก้วผมก็รู้นะยกขึ้นมาก็รู้นะดื่มลงไปก็รู้นะอันถ้ามันรู้แต่กายนะแต่มันไม่รู้ว่าใจมันหลงมันไม่ใช่รู้แต่การเคลื่อนไหวนะมันบอกเนี่มันก็มันก็รู้รู้การยกขึ้นการดื่มนะมันเนี่ยมันรู้แบบรู้แบบยังไม่ถูกนะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่สําคัญไม่ใช่เพียงแค่รู้กาย แตใจก็ควรรู hmm. ้ด้วยนะว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราทําำเพื่ออะไรแต่ไม่ใช่คิดรู้นะอไม่ได้คิดรู้แต่เมื่อมันคิดแล้วเราไปรู้มันต่างกันนะไม่ใช่เยายามไคิดเข้าใจคิดวิเคราะห์คิดดูตัวเองให้ละเอียดไม่ใช่แต่เพื่ออะไรมันเกิดความคิดขึ้นมาดอกนะเรารู้อะาตการที่เรารู้กายขึ้นไปนั้น รู้กายขึ้นหมไปเรื่อยพอความคิดอะไรมันเกิดขึ้นมาสติมันจะเข้าไปดูนะมันจะเข้าไปตัดความคิดนะถ้าเป็นความคิดที่ดีนะมันทีมันก็ไม่ใช่จะต้องทําทั้งหมดนะมันทีคิดดีก็ไม่ได้จะทําทั้งหมดคิดดีแต่ยังไม่ถึงเวลานะไม่ถูกากาลเทศะก็าวางไว้ก่อนนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยพอปฏิบัติธรรมทั้งวัน หรนะือบางคเก็บอารมณนะ์ที่วัดนนะี่ยบางทีมีเก็บอารณที่จริงทางเดินจงกรมตรงกุฏิหรือกุฏิตัเองมันก็อยู่กันมาหลายปีหรือหลายเดือนนะก็ไม่ค่อยทําอะไรนะแต่พอเก็บเก็บอาลมณ์ทีทํำไงทางจงกรมมันดูไม่ค่อเรียบกุฏนะิมันดูโลบๆอยอยากจะไปทํานั่นทํานี่นะมันก็คิดดีนะอยากจะทําดีอยากจะพัฒนาแต่ดืมว่า อารมณ์ันอยากจะหนีไปจัดการเดินจัดการนั่งปฏิบัติเนี่ยมันทีชี้ตีนะแต่ยังไม่ถึงเวลาทําก็ต้องมาให้ก่อนเวลานี้เราตั้งใจจะปฏิบัติเออวางไว้ก่อนใช่อืมวางไว้ก่อนเนี่ยบางทีเราเวลาปฏิบัติเราต้องรู้ทันนะรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดนะมันยังไม่ก่อนได้นะหรือบางทีเราก็อาจจะต้องบางทีถ้าเราจะไม่ทําเวลา ทำได้แต่บางทีเราก็ทําให้เป็นวัดปฏิบัติสิเช่นเออเราต้องเจ็ดกว่ากว่าคืนตอนนู้นะ น, นนะสีะ่โมงเย็นปฏิบัติไปก่อนเวลาคือเจ็ดกว่าไอ้แบบนี้มนเป็นวัน ท, ที่ทําได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติคนเดียวมันจะไม่ทําย่างอื่นนะทําอื่นก็ได้แต่ให้มันมีกติกากับตัวเองถ้าเราไม่มีกติกากตัวเองเนี่ยมันจะมีไนวไชคิด ป, ปุ๊บก็ไทปทําำนะนะนะเห็นนั่นนี้ก็ไปทํานะ แต่การปฏิบัติธรรมเนี audible, ่ยถ้าเรามีวัดปฏิบัติความตั้งใจว่าเออช่วงเวลานี้นะเช่นน่ยเราบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงหรือตอนเช้าเป็กถึงเที่ยงที่เราจะเริ่มเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยเราจะไม่ทํเพราะถ้ามันไม่จำเป็นอ่าเราจะตั้งใจปฏิบัติเนีรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอันนี้ยเราก็ทําเป็นสติการในชีวิตของเราต้องเหมือนกันถ้าเราสามารถจัดสรร วันปฏิบัติของเราได้นะมันจะเป็นระบบรเรื่องเปียกเลยมันจะแบบไม่ใช่ทำนู่นทำนี่แล้วก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอเวลานี้ะตั้งใ จ, จปฏิบัติอะไรที่เกิดขึ้นมาวางไว้ก่อนใช่ไม่ใช่แบบเหตุผลวิสัยจริงๆปฏิบัติไปะโทรศัพท์ก็จะวางไว้ก่อนงานกานอื่นวางไว้ก่อนปฏิมาเป็นก่อน เมื่ถึงเวลาออที่เราตั้งใจว่าเออจะพักไปทําอื่นบ้างค่อยมาดูนะถ้าจะมีใครโทรเข้ามาก็จะโทรกลับไปถ้าจะมีงานอื่นทำก็ค่อยทาตอนนั้นมันก็จะทําเป็นเป็นเวลาเวลาเป็นช่วงช่วงเพราะจริงถ้าเราไม่ตั้งใจแบบนี้นะมันจะมีอะไรที่แทรกเข้ามาแลาวทำให้เราเผลนะอเผลอไปกับสิ่งที่แทรกเข้ามาหรือบนะ า, างทีอารมณ์เรานั้นจะค้าน จัดการงานที่มันแทรกเข้ามาแล้วมันก็เลยคิดคิดคิดคิดต่อแม้เดินตรงคงแม้ยกมือแต่ไอเรื่องที่พูดกับเขาเกียนมันก็ยังติดหัวอยูน่นะทำให้าการปฏิบัติมันก็เลยแบบไม่ค่อยต่อเนื่องทีทำแล้วทาให้เป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะสำคันนะสาหรับผู้ที่ฝึกใหม่นะผู้ที่ฝึกใหม่หรือผู้ที่ฝึกมาพอสมควรแล้วก็นะดีนะนะ ถ้ายัางไม่ได้สติต่อเนื่องเนี่ยบางทีก็ต้องตั้งใจมีวัดปฏิบัติพวเนี้มันจะช่วยได้นั้นการการฝึกสติน่นนยมเริ่มต้นจากการที่เรารู้รู้กายเคลื่อนไหวในยบฏต่างๆยืนเดินนั่งนอนกู้เหยียดเคลื่อนไหวกินดื่มขับถ่ายอะไรต่างๆ็อย่างตา ม, ม, าตามรู้ในแต่ลวันให้ได้มากที่สุด รู้ตั้งแต่ตื่นมาเลยนอนข้าไหนนปิดซ้ายปิดขวาขึ้นมาแปรงันร่างหน้าเดินมาทงวัดทําต่างๆก็ยังตามรู้ตามรู้ไปเรื่อยรู้ตรงไปเพียห้งวัดตามนี่ถือว่ า, อาเอาใจไปปรู้รู้พร้อมกันเลยการรู้กายเนี่ยรู้พร้อมกันในขณะที่ทําเลยเพราะว่าอะไรกายทํา แต่รู้สาารับรู้ได้พ้องกันเมื่อเราดูโทรทัศนเราดูขณะที่มันขนาดที่มั น, น, มนแสดงดทันทีนะดูพ้อมเลยแต่การรู้ความคิดรู้จิตใจนะมันจะเป็นเหมือนกันตามรู้แต่ตามรู้แบบตระชั้นเพราะว่าอะไรเพราะจิตเราเนี่ยขณะที่จิตมันคิดนะตอนนั้นมันจะไม่รู้เพราะจิตเราเหมือน มันรับรู้เราเป็นทีละอย่างเหมือนช่องโทรทัศน์เนี่ยสมมติถ้าเราเปิดช่องเจ็เนี่ยมันก็เปิดช่องสามด้วยไม่ได้นะไม่เหมือนจอคอมพิวเตอร์นะทําเป็สองหน้าสามหน้าได้นแต่โทรทัศน์เนี่ยเหมือนต้องช่องเดียวภาพเดียวอันนี้แต่เราจะสับเนี่ยช่องในจิตของเราต้องมีอีู่สองช่องเอาง่ายง่ายช่องรู้ช่องหลงถ้าต้องใจมันหลงมันก็มีรู้ แต่พอเรารู้มันหลงมันก็จะเหล่นช่องเปลี่ยนเป็นช่องรู้จิตน่ะเอาง่ายไม่รู้ก็หลงบางทีหลวงพ่อก็ว่าเหมือนหน้ามือหลังมือมันไม่มีแบบตั้งทางกลางอย่างนี้เลยงายมือข้อมือเป็นหน้ามือกับหลังมือจิตนะไม่รู้ก็หลงแต่ถ้าหลงบางทีเป็นขั้วย่อยไปเรื่อยนก็ได้เป็นโลกรดหลงเป็นรังเป็นชั่งเป็นยัไงแต่ถ้าเง่ายก็ รู đây, trên, ้หรือหลงหรือถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆอะไรเช่นถ้าเป็นโทรทัศน์นะมันเปิดเปิดดูช่องไหนก็แล้วแต่กับปิดกับปิดปิดโทรทัศน์มันก็ว่างว่างๆธรรมดาไปเลยนะเปิดช่องไหนก็แล้วแต่นะเป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นแต่ปิดเนี่ยก็ปกติไปเลยแต่ไม่ใช่ว่า นักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่เขาเคยทำจะไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็ยังมีนะยังสามารถคิดได้นะจำได้มีการรับรู้มีเวทนาปกติยังมีช่องทางการรับรู้ยังมีช่องแต่ไม่สำคัญมั่นหมายเมื่อมันเกิดภาพขึ้นมา เกิความรู้สึกขึ้นมาไม่สําคัญว่ามันเป็นตัวตน ข, ของเราไม่เป็นเป็นทุกข์เพราะมันนะดังนั้นปฏิบัติธรรมบางคนจะกลัวว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเาจะผิดมนุษย์มนาหรือเปล่าจริงคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เป็นปกติที่สุดนะใช้ชีวิตอยู่กับคนได้อย่างดีที่สุดนะไม่ต้องปอไปหตบหนีใครไม่ต้องกลัวใครนะเป็นปกติธรรมดามากยังมียังใช้ความคิดนะ ไม่ใช่ความคิดใช้เรา <c oughs> แต่ก่อนความคิดใช้เราอยู่ที่เยอะทุกอย่างอยากเปิดตดีนะความคิดใช้เรานะเราใช้ความคิดนะไปทําดีอย่างที่ไฟดันตุ้มมาหลวงพ่อเขบอกเราจะใช้กายนี้ใจนี้ไปทําความดีคือเราไป็นคนใช้สติใช้นะอนะ่ไม่ใช่สาคัญวันใหม่หว่าเป็นเป็นเราเนี่ยเป็นสติเขาเป็นใช้นะเนี่ยสติจะ่อย คอยแนะนำคอยบอกคอยเตือนทุกอย่างนี่นคืออนุภาคองการมีสติเราจะเข้าใจชีวิตนะจากการที่เราปฏิบัตินี่แหลนะทางก็เกิดขึ้นสินก็เกิดขึ้นสมาธิตั้งมั่นกเกิดขึ้นปัญญาความเข้าใจความคิดของรูปของนามของกายของใจ ของทุกอย่างนะก็จะเป็นไปที่มันเข้าใจว่าที่จริงมันมีแต่ทุกขนะ์กับการแบบทุกข์เท่านั้นทุกอย่างเห็นทะุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องที่เป็นทุกขนะ์เรื่องที่มันมีเที่ยงเรื่องที่มันบังคับไม่ได้เราปฏิบัติพยายามเห็นให้มันตกตรงนี้แต่พอเราปฏิบัติคิดเนี่ยใจเราจะวางเรื่คิดมันทุกข์ ไม่ยอมรับทําไมปวดขาทำไมปวดหลัง ท, ทำไมมันฟุ้สร้างนทําไมมันเบื่อนี่คือสภาวะทุกข์ที่เขาแสดงเราก็แค่ยอมรับอย่างที่มันเป็นเนี่ยมันก็เริ่มทุกแล้วนะทุกข์กายบำบัดแก้ไขอาจจะปรับเปลี่ยนได้แต่ทุกข์ใจนั้นทันททุกข์ที่เกิดจากความคิดทุกข์ทีท่เกิดกจกากการยึดมั่นถือมั่น นี่ลราดักจริงนี่มันแสดงให้เราเห็นนะถ้ามันแสดงว่าเ ป, เป็นเป็นทุกข์แห่งผูกแล้วถือว่ามาถุกทางนะแต่ถ้ามันแสดงแต่สุขอย่างเดียวปจิบัติวันทั้งวันเดือนทั้งเดือนมีเจตสุขสบายเนไหมอาจจะต้องกลับมาดูนะว่าที่จริงถ้าจะบ้ายจริงมันกำลังติดอารมณ์นี่ติดสมรรคาเพินมเตะ ติดความปัสสกิณนะความสงบความสบายความเคืนนะที่จริงถ้ามนเห็นเห็นทุกนะแต่แค่เราต้องทุกตลอด น, นะไม่ใช่แต่ให้เห็นว่าที่จริงสิ่งที่เห็นนะนะั่นแหละเดี๋ยวมันก็เกลี่ยนทุกคือมันอยู่ในอาการเดิมไม่ได้คล้ายๆเหมือนกับอืมนะ้นะําแข็งนะน้ําแข็งนี้่จะแข็งตลอดมันามาต้องละลายเป็นน้ําสุดท้ายก็เลย เป็นไอ้นะ้ำมันมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนหน้านี่คือทุกนะคือแบบนี้นะไม่ใช่แล้วต้องทุกต้องเจ็บต้องปวดอย่างเดียวทุ ก, กนะนะคือการเปลี่ยนแปลงนะคือการเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันทุกมัเลยต้องเปลี่ยนแปลงนะเราหายใจเข้าว่ามันสบายนะแต่หายใจเข้าตืกนๆนานๆเป็นซึ่งนาทีมันก็จะตายมันไม่สบายแะ้ว น, ะนี่คือนทุกนะ มันเราต้องบำบัดเรื่องการหายใจออกดังนั้นเราดูเลยท้านเป็นทุกข์เนี่ยถือว่าถูกแล้วมันต้องเปลียน์เราแก้ไขไปมันไม่ใช่เป็นสุขตลอดเนาะมันไม่เที่ยมมันเปลี่ยนแปลงงนั้นใจมันจะฟุ้งร้างนั่นคือมันแสดงความอนิจจ์ที่เราเห็นไม่ใช่ละใจเราจะต้องนิ่งบางทีมันก็คิดดีอยู่ที่เราคิดไม่ดีเนี่ยมันถูกแล้วนะ ไม่ใช่เราเราจะต้องคิดดีแต่ลอนะลเราต้องคิดถูกตลอดบันทะีเราคิดไม่ดีคิดดีบ้าง น, นะคิดเรื่องในตัวว่างคิดเรื่องนอกตัวว่างนี่ยู่มันแสดงความไม่เทีย่ยวมันปุดขึ้นมาให้เห็นพ๋เ อ, อเป็นเปล่แบบนั้นนะแต่พอมีสติมันแต่เห็นไม่เข้าเปล่งเปล่งนะแต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะรู้สึกว่าความคิดนี้เป็นเรานะ เราคิดไม่ดีเราคิดดีเราคิดถูกเราคิดผิดนะเราสุขเราทุกข์แต่ผู้ที่มีสติน่ยแค่รู้สึกว่าความคิดนะเกิดขึ้นมาสุขเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมามันจะต่างกันทางทั้งที่อารมร์เหมือนกันนะแต่เพียงว่าความรู้สึกยึดมั่นสำาัญนัยต่างกันเหมือนตัวนเลอันนี้มันตั้งอย่างนะ้นะ มันก็เหมือนเป็ความคิดนึงเราหนึ่งคนคนทชน่วนธราก็ไปยึดมั่นอันนี้เป็นเราก็เลยหยิบจับช่วยไว้ยึดมั่นไว้นแต่ถ้าเป็นคนที่เข้าใจธรรม ก, ก, ก็ก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปจับแต่ถ้าเราเป็นขั้นใการฝึกนะ้นมันจะเหมือนคล้ายอัตโนมัติเลยเราจะไปยึนมั่นมันเป็นเราเป็นของเราจริ แต่พอเมืมีสติันสติเมื่อไรก็วางแล้วก็อาจจะยึดดูใหม่้ารมใหม่ดีพอมีสติอีกคัวางใหม่นี่สิมันจะมันจะไม่คิดว่าในขั้นกานคิดไม่ใช่เราจะมีลิขิตตลอดนะมันยึดพอเรารู้มันก็ค่อยวางนะเป็นยึดอีและรู้แล้วก็วางนะเมืเราคิดพอมีสติก็ตัดนะแล้วก็อาจจะคิดใหม่มีสติอีกครั้ง ตาดใหม่เนี ó, ulously, ่ยเราทำแบบนี้บ่อยมันจะเห็นเลยเออมันไม่เที่ยมันเป็นทุกมันเป็นน้ำตาแบบนี้นี่เองนะค่อยๆทําไปเลยเนาะนะเราทําแบบนี้นะยังไม่พอก็ทําไปเรื่อยๆโยนนะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนมันจะพอนะทำไปเรื่อยๆทําไปทั้งวันสุดท้ายของชีวิตเราเน่ะนะ ผู้ที่มีธรรมท่านก็ยังทําเรื่อยๆนะหลวงพ่อคำเขียนก็แสดงให้เราเห็นแม้ท่านจะตั้งใจธรรมอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังกระดุกกระดิด um. ยังเดินตรงกลมยังคลิกมือนะการทํำก็ยังเป็นสติที่ท่านทําเป็นปกติแต่อาจจะไม่ทําเพื่อความเพลนทุกนะแต่ทําเพื่ อ, นะ เ, อเป็นเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องอยู่นะสติเป็นเครื่องอยู่นะ เราเองยังไม่มีเครื่องอยู่ยังไม่มีที่พึ่งยิ่งต้องพยายามสร้างต้องพยายามทำเนะีเจตจำน ง, งเป็นที่พึ่งให้กับใจเราได้จริงๆเนะี่ยอันนั้นก็กลายเป็นเครื่องอยู่เหมือนเราเอางที่มีบ้านต้องพยายามสร้างบ้านนะฝนตกแดงออกจะได้มีที่หลบฝนนะมีที่บังล่มนะนะเนี่ยคือพอมีแล้วได้มาใช้นะแต่ถ้ายังไม่มีเนะี่ยเหมือนตา อยู่การแจ้งฝนตกก็เปียกแต่ออกก็ร้อนนะลมหนาวมาก็หนาวน่ะอันนั้คนไม่มีที่พึ่งอยู่แล้วเนี่ยคนมีที่พึ่งเนนะี่ะมีทำอาเป็นที่พึ่งเหมือนคนมีบ้านเหมือนคนมีห้องน่ะมีที่พักเนี่ยเราพยายมสร้างเนาะบ้านภายนอกพวกเรามีหลายคน <c oughs> บางคนอาจจะมีหลายหลังะ <c oughs> หลายห้องนะ <c oughs> แต่บ้านในใจเนีน่ยเรามีที่ยังะไปทําหาพิ้งพึ่งนะตอนนี้บ้านของเราเ็เหมือนที่ใเหมือนไปเช่าก็อยู่นะอืมมีช่วงขาวแล้วก็ออกมาตอนเนี้ยที่รู้ก็เหมือนไปได้พักในห้องนะเหมือนไปขออาศัยขาพักนะช่วงขาวนะพอหลง ก, ก็ห่อมาใหม่นะเึ่งพอรู้สึกเราก็เหมือนเข้าไปลหลบข้างไหนไปพักข้งางในยังไม่ไปบ้านทางตอน ยัไม่เยนบ้างพี่แท็กทเองพยายามสร้างกันน ะ, นะสมกือเวลาแนละ้ะข